คำสอนอะไรที่เป็นแก่นเป็นหัวใจเป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนาคำสอนที่เป็นแก่นเป็นหัวใจเป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนาก็คือพระอริยสัจสี อริยสัจสแปลว่าความจริงที่ประเสริฐสี่ประการด้วยกันทำไมจึงเรียกว่าเป็นความจริงที่ประเสริฐเพราะผู้ที่ได้เข้าถึงความจริงทั้งสี่ประการนี้จะได้เป็นบุคคลที่ประเสริฐนั่นเอง คือได้เป็นพระอริยบุคคลตั้งแต่พระโสดาบันพระสกิดาคามีพระอนาคามีและพาาระอรหันต์บุคคลเหล่านี้เป็นบุคคลที่ได้เข้าถึงพระอริยสัจสี 4. การเข้าถึงพระอริยสัจสี 4, นี่หมายถึงเข้า ถึใจเพราะพระอริยศัจสีนี้อยู่ในใจของสัตว์โลกของบุคคลทุกๆคนเพียงแต่ว่าสัตว์โลกหรือบุคคลต่างๆกลับมองไม่เห็นกันเพราะไม่เคยมองกลับเข้ามาในใจของตน จึงไม่เห็นพระอริยสัจวี่ที่มีอยู่ในใจของตนจึงไม่ได้เป็นพระอริยบุคคลเป็นปุถุชนธรรมดาคำว่าปุถุชนนี้หมายถึงบุคคลที่ยังไม่สามารถตัดภพตัดชาติตัดการเวียนว่ายตายเกิดได้ ต่างกับพระ อ, อริยบุคคลที่สามารถตัดภพตัดชาติตัดการเวียนว่ายตายเกิดได้ตั้งแต่พระโสดาบันก็ตัดได้ไปเหลือไม่เกินเจ็ดชาติพระสกิดาคามีก็เหลือเพียงชาติเดียวพระ อ, อนาคามีก็ไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไป แต่ยังไปเกิดเป็นพรหมอยู่จนกว่าจะได้เป็นพระอาหารหันต์พอได้เป็นพระอาหารหันต์แล้วก็จะไม่มีการกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในไตพบอีกต่อไปไม่มาติดอยู่ในสังสารวัฏวัตฏะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดที่มีอยู่สาม พบด้วยกันที่เรียกว่าตรายพบตรยพบก็คือพบของจิตที่ยังติดอยู่ในวัฏฏะสงสารในสังสารวัฏในการเวียนว่ายตายเกิดในการเกิดแก่เจ็บตายตายพบนี้ก็มีแบ่งไว้สาเป็นสาพบด้วยกันเรียกว่า กามภพบรูประพบและอรูประพบกามภพบนี่คือที่อยู่ของสัตว์ที่ยังติดอยู่ในการเสพกามคือยังติดอยู่กับการเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะอย่างมนุษย์พวกเรานี่เรียกว่ายังอยู่ในกามภพบเพราะยังติดการเสพกามอยู่ เหมือนกับสัตว์เดลชานเดลฉานก็ยังเสพกามอยู่ในกามะพจนี้ก็มีการแบ่งไว้อยู่สามมีอยู่สองส่วนเรียกว่าส่วนที่มีสุขมากกว่าทุกและก็อีกส่วนหนึ่งก็เป็นส่วนที่มีทุกข์มากกว่าสุขส่วนที่มีทุกข์มากกว่าสุขเราก็เรียกว่าทุกขติหรืออบาย อบายก็คือเดรัจฉานเปรตอสุลกายนารกอันนี้เป็นที่ของผู้ที่เสพการด้วยการกระทำบาปต่างๆกระทำบาปด้วยความหลงก็เป็นเดรัจฉานกระทำบาปด้วยความโลภก็เป็นเปรต กระทำบาปด้วยความกลัวก็เป็นอสุลละกายกระทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทเครียดแค้นโกรธเกลียดก็เป็นนรกนี่คือพบของผู้ที่เสพการด้วยการกระทำบาปต่างๆจะต้องติดอยู่ในอบายจะต้องเวียนว่ายตายเกิดในอบายส่วนผู้ที่ เสบกามด้วยไม่ด้วยการไม่กระทําบาปก็มีพวกมนุษย์มนุษย์นี้เป็นพวกที่เสบกามแต่ไม่ได้เสภด้วยการกระทําบาปคือรักษาศีลห้าได้ะจะทําอะไรก็ไม่ทําให้ผิดศีลจะเสบกามก็เสภในใน ในความถูกต้องเช่นไม่ประพฤติผิดประเวณีถ้าอยากจะเสพการอยากจะร่วมหลับนอนก็จะร่วมหลับนอนกับบุคคลที่เป็นคู่ของตนคือเป็นภรรยาหรือเป็นสามีของตนถ้าเสพการด้วยการไม่กระทำบาปก็จะเป็นมนุษย์ส่วนพวกที่เสพการ ด้วยการไม่ทำบาปแล้วยังมีการกระทำบุญด้วยคือนอกจากไม่ทำบาปแล้วยังมีความเมตตากรุณาต่อเพื่อนร่วมโลกเวลามีอะไรที่มีมากกว่าที่จะเก็บไว้ใช้สำหรับตนเองได้ก็ไม่หวงไม่ตเนีเอาไปแบ่งปันให้แก่ผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อน เรียกว่าทำบุญทำทานผู้ที่เสพกามด้วยการไม่กรรทำบาปแล้วยังมีความเมตตาการุณาเอาเื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนร่วมโลกด้วยการทำบุญทำทานต่างๆก็จะเป็นพวกเทวดาทั้งหลายมนุษย์และเทวดานี้อยู่ในสุขติ เวียนไหวอยู่ในสุขคติเพราะไม่กระทาบาปแะหรือทําบุญไม่ทําบาปและทําบุญหรือไม่ได้ทําบุญมนุษย์นี้เป็นพวกที่ไม่ได้ทําบุญแต่ไม่ได้ทําบาปส่วนเทวดานี้เป็นพวกที่ทําบุญด้วยไม่ทําบาปด้วยจึงได้เป็นเทวดานี่คือพบของผู้ที่ เสพกามเรียกว่ากามะพบอยู่มีแบ่งไว้เป็นสอ ง, ส, องส่วนที่เรียกว่าสุขคติกับทุกคติทุกคติก็คืออบายสีเดรฉ า, านเปรตอส่วนและกายนารกสุขคติก็คือภูมิของมนุษย์และเทวดาต่างๆ เทวดานี้ก็มีแบ่งเป็นหลายชั้นด้วยกันเพราะการทําบุญทํามากน้อยต่างกันนั่นเองเหมือนกับเวลาที่เราไปใช้บริการที่พักโรงแรมโรงแรมก็มีหลายระดับระดับหนึ่งดาวสองดาวสามดาวสี่ดาวห้าดาวหรือระดับที่ไม่มีดาวก็เกิดอยู่กับ ค่าใช้จ่ายถ้าจ่ายมากก็จะได้อยู่โรงแรมระดับที่มีดาวมากมีบริการที่วิเศษมากถ้าอยู่มีค่าใช้จ่ายน้อยมีรายได้น้อยจค่าที่พักน้อยก็ต้องพักที่โรงแรมที่มีดาวน้อยดาวต่ำกว่านี่คือสาเหตุทำไมสวรรค์จึงมีชั้นต่างๆ เพราะผู้ที่เสพการามในขณะที่เป็นมนุษย์จะทำบุญมากน้อยไม่เท่ากันนั่นเองบางท่านก็ทำมากบางท่านก็ทำน้อยเวลาตายไปจิตก็ไปติดอยู่สวรรค์ชั้นต่างๆ ต, ตามกำลังของทานของบุญที่ได้ทำเอาไว้ นี่คือผู้ที่เวียนไหวาตายเกิดในกาลมาภพตายไปก็จะไปเป็นอะไรต่างๆตามที่ได้ทํามาไว้ทําบาปก็ไปอบายทําบุญก็ไปสวรรค์ไม่ทําบุญไม่ทําบาปก็กลับมาเป็นมนุษย์ผู้ที่ไปทําบุญไปสวรรค์เมื่อบุญหมดก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ ผู้ที่ไปอบายเมื่อบาปหมดก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็กลับมาทำบุญทำบาปกันใหม่มาเสกกามกันใหม่ก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดถ้ายังไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาไม่ได้มาพบกับพระอริยสัจสี่ที่จะเป็นธรรมที่จะตัดภพตัดชาติ ตดการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏะสงสารได้ส่วนพบอีกสองพบคือรูปภพกับอรูปภพนี่คือที่ไปของผู้ที่ได้บรรลุถึงรูปประชานและอรูปปัจจาญรูปประชานก็คือสมาธิความสงบขั้นต่างๆนั่นเอง อรูปฌานก็เหมือนกันเป็นความสงบของสมาธิขั้นต่างๆที่มีความละเอียดมีความสงบมากน้อยต่างกันเหมือนกับสวรรค์ของเทวดาที่มีความสุขมากน้อยต่างกันตามกําลังของการทําบุญทำทานรูปฌานกับอรูปฌานก็เป็นความสุขความสงบ ที่เกิดจากกําลังของสติที่มีมากน้อยต่างกันถ้ามีสติมากก็จะได้ฌานขั้นสูงมีสติน้อยก็ได้ฌานขั้นต่าำมีตั้งแต่รูปฌานมีสี่อรูปฌานมีอีกสี่นี่คือลักษณะของพบของผู้ที่ไม่เสกกรามรูป รูปภพรูปภพกับอรูปภพนี้เป็นภพที่ไม่มีการเสพกามเป็นภพของพวกนักบวชขณะเป็นมนุษย์ก็จะเป็นนักบวชจะไม่เสพกามจะถือศีลของนักบวชเือศีลแปดขึ้นไปศีลแปดศีลสิบศีลสอง้อยยิบเจ็ดศีลสามร้อยกว่าก็นี้จะเป็น ตัวที่จะกั้นไม่ให้ไปอยู่ในกามะพภผู้ที่ถือศีลบวชได้จะไม่ไปติดอยู่ในกามะพภแต่จะไปได้นอกจากถือศีลแปดแล้วถือศีลนักบวชแล้วยังต้องมีการก็ททาใจให้สงบให้ได้จะต้องมีการเจริญสติเพื่อทำจิตให้สงบ เป็นฌานขั้นต่างๆเป็นตั้งแต่ขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่สามขั้นที่สี่ของรูปฌปานแล้วก็ถ้ามีสติมากกว่านั้นก็สามารถไปสู่ขั้นอรูปฌานที่มีอยู่สี่อรูปฌานสี่ขั้นอีกนี่คือผู้ที่จะไปเวียนว่ายตายเกิดในรูปภปพกับอรูปภพ ะนาเป็นมนุษย์นี้จะไม่เสพกา ร, รจะถือศีลของนักบวชแล้วก็จะหมั่นจเจริญสมาธิหมั่นนั่งสมาธิทำใจให้สงบหมั่นจเจริญสติที่เป็นเหตุที่จะทำให้ใจสงบจะปีกวิเวกจะไปอยู่ตามลาพังตามสถานที่สงบสงัดไม่คุกครีกับผู้อื่น ก็จะได้บรรลุถึงฌานขั้นต่างๆได้แต่ก็ยังเป็นพบที่ยังอยู่ในวัฏฏะสงสารอยู่ในสังสารวัฏอยู่คืยยังไม่หลุดจากการเวียนว่ายตายเกิดหลังจากที่ได้ไปเป็นพรหมไม่ว่าจะขั้นรู ป, ปรพรหมหรืออรู ป, ปรพรหมเมื่อกำลังของสติหมด จิตก็จะเสื่อมลงมาจากรูปอรูปประพบมาสู่รูปประพบจากรูปประพบก็จะตกลงมาสู่การมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่หรือก่อนจะเป็นมนุษย์ก็อาจจะเป็นเทวดาก่อนเพราะยังมีพ่อสติหมดกำลังเมื่อไหร่กามมะตัญหาความอยากเสพกามก็จะผล่ขึ้นมาทันที ก็จะไปติดที่สวรรค์ชั้นต่างๆแล้วก็เลื่อนลงมาตามลำดับจนมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็มาบำเพ็ญใหม่ถ้าเคยถือศีลบวชก็จะกลับมาถือศีลบวชใหม่เคยนั่งสมาธิก็จะกลับมานั่งสมาธิใหม่แล้วพอตายไปก็จะกลับขึ้นไปสู่รูปภพอรูปภพใหม่ แต่จะติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้เพราะสิ่งที่บำเพ็ญคือศีลกับสมาธินี้ไม่สามารถที่จะตัดภพตัดชาติตัดการเวียนว่ายตายเกิดได้จะต้องรอให้มีพระอริยสัจ ส, สีมีผู้มาสอนพระอริยสัจ ส, สีซึ่งไม่มีใครนอกจากพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้น ที่จะรู้จักพระอริยสัจ ส, สี่รู้จักวิธีเข้าถึงพระอริยสัจ ส, สี่ถ้าได้เข้าถึงพระอริยสัจ ส, สี่และได้ทํากิจของพระอริยสัจ ส, สี่ได้ครบถ้วนบริบูรณ์ก็จะสามารถที่จะตัดภพตัดชาติตัดการเวียนว่ายตายเกิดได้พระอริยสัจ ส, สี่จึง มีอยู่แต่ในศาสนาพุทธเท่านั้นเพราะไม่มีใครที่จะรู้พระอริยสัจสี่ได้นอกจากพระพุทธเจ้าไม่มีใครที่จะนำพระอริยสัจสี่มาสอนให้แก่สัตว์โลกได้นอกจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจึงเป็นเจ้าของของพระพุทธศาสนาถ้ามีพระพุทธศาสนาก็จะต้องมีพระอริยสัจสี่ ต้องมีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าคือมีพระอริยสัจสี่จะสอนแต่พระอริยสัจสี่แล้วก็จะมีพระสาวกที่สามารถเข้าถึงพระอริยาาสัจสี่ได้ตัดภพตัดชาติตัดการเวียนว่ายตายเกิดได้ก็คือพระอริยบุคคลสระดับนั่นเอง เป็นพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้านี่คือสั ญ, ญลักษณ์หรือโลโก้ของพระพุทธศาสนาคือพระพุทธเจ้าผู้ตัดสรู้พระอริยสัจสี่ผู้นําเอาพระอริยสัจสี่มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกผู้ที่ได้ยินได้ฟังพระอริยสัจสี่เมื่อน้อมนําเอาไปปฏิบัติ เข้าถึงพระอริยสัจสี่ได้ก็จะบรรลุเป็นพระอริยะบุคคลสีระดับด้วยกันได้คือพระโสดาบันพระสกิดาขามีพระอนาคามีพระอรหันต์พระอาา ร, ริยบุคคลเหล่านี้เป็นผู้ที่สามารถหลุดพ้นจากวัฏะสงสารวัฏะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ ดังที่ได้แสดงไว้ในเบื้องต้นถ้าได้ขั้นที่หนึ่งได้ขั้นพระโสดาบันก็จะตัดการติดอยู่ในการมมพบได้หลือไม่เกินเจ็ดชาติเป็นอย่างมากพอได้เข้าถึงพระอริยสัจ ส, สีขั้นที่หนึ่งแล้วก็จะสามารถตัดการเวียนว่ายตายเกิดในการมมพบให้เหลือไม่เกินเจ็ดชาติเท่านั้น แล้วพอเข้าถึงพระอริยสัจสี่ขั้นที่สองขั้นพระสกิดาคารมีได้ก็จะตัดการเวียนว่ายตายเกิดในการมาพบเหลือเพียงชาติเดียวถ้าเข้าสู่ขั้นที่สามขั้นพระอนาคามีได้ก็จะตัดการเวียนว่ายตายเกิดในการมาพบได้แต่ยังไปติดอยู่ในการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ใน รูปภพหรืออรูปภพอยูอ่ก็จะบ้องอถ้าได้เข้าสู่ขั้นที่4ก็จะสามารถหลุดจากการติดอยู่ในรูปภพหรืออรูปภพได้ก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปไม่ต้องกลับมาเป็นมนุษย์อย่างพวกเราที่จะต้องมาต่อสู้กับความทุกข์ต่างๆ ทุกตั้งแต่ออกมาจากท้องแม่ออกมาจากท้องแม่ก็ทุกเพราะต้องหายใจต้องต้องหายใจเองอยู่ในท้องแม่สบายไม res, ่ต <im> <cons> ้องหายใจอาศัยลมหายใจของแม่นอนสบายแต่พอออกจากท้องแม่ขึ้นมานอนไม่ได้นอนต้องต้องหายใจต้องหัดหายใจแล้วก็ต้องหัดกินหัดดื่ม หัดอะไรต่างๆเอกมากมายเราต่อสู้กับปัญหาต่างๆภัยต่างๆเพื่อให้จเจริญเติบโตเพราะใจยังมีความอยากที่จะเสพกามอยู่ใจยังอยากที่จะหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสอยู่ก็ต้องมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง แต่ร่างกายนี้ต่อให้เลี้ยงดูให้ดีขนาดไหนก็ตามเมื่อมันถึงเวลามันก็จะต้องเสื่อมมันก็จะต้องแก่ต้องเจ็บและต้องตายไปเวลาแก่เวลาเจ็บเวลาตายก็จะมีแต่ความทุกข์ใจอันนี้คือเรื่องของจิตใจของปุถุชน อย่างพวกเราทั้งหลายที่ยังไม่เข้าถึงพระอริยสัจสี่ยังไม่รู้จากพระอริยสัจสี่ว่าอยู่ในใจของพวกเราเพราะใจของเราไม่ยอมเข้าข้างในกันใจของพวกเรานี้ชอบอยู่ข้างนอกชอบอยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรสพธทธะปะ วันวันหนึ่งนี้จะคิดถึงแต่รูปเสียงกลิ่นรสผลิตพัพฑ์รูปเสียงกลิ่นรสของเงินทองรูปเสียงกลิ่นรสของยศของตำแหน่งต่างต่างรูปเสียงกลิ่นรสของความสรรเสริญเยนยอรูปเสียงกลิ่นรสของบุคคลต่างต่างของสิ่งของต่างต่างก็เลยไม่เคยเห็นอริยาาสัจส ที่มีอยู่ในใจตลอดเวลาเลยไม่สามารถที่จะใช้อริยสัจสี่มาในการตัดภบตัดชาติตัดการเวียนว่ายตายเกิดให้หมดไปจากใจได้ต้องรอให้มีพระพุทธเจ้ามาตัดสรุพระอริยสัจสี่มรู้จากวิธีที่จะทำให้เห็นพระอริย ส, สัจสี ที่มีอยู่ในใจของตอนนี้ว่าจะเห็นพระอริยสัจสี่ได้อย่างไรการที่จะเห็นพระอริยสัจสี่ได้จาเป็นที่จะต้องเข้าไปข้างในใจต้องหันหน้ากลับเข้ามาข้างในตอนนี้ใจหันหน้าออกไปข้างนอกหันหน้าออกไปทางตาหูจมูกลิ้นกายทางรูปเสียงกลิ่นรสผดถภา ตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนถึงหลับเนี่จะหันไปหาแต่รูปเสียงกลิ่นรสผธทพะเดี๋ยวก็อยากดูเดี๋ยวก็อยากฟังเดี๋ยวก็อยากรับประทานเดี๋ยวก็อยากจะดื่มเดี๋ยวก็อยากจะเล่นเดี๋ยวอยากจะร่วมหลับนอนกันมีแต่หาสิ่งเหล่านี้ตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับนี่ จะไม่คิดหาอะไรหาแต่สิ่งเหล่านี้จึงมุ่งออกไปทางภายนอกไปหารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆไปหาลาบยศสรรเสริมมาเสพกันจึงไม่มีไม่มีโอกาสที่จะเห็นอริยสัจสี่เวลาเกิดความทุกข์ใจก็ไม่รู้ว่ากำลังปรากฏ พระอริยสัจสี่กำลังปรากฏขึ้นมาพระอริยสัจสี่มีสี่ข้อมีอะไรบ้างเอข้อที่หนึ่งก็คืออริยสัจข้อที่หนึ่งก็คือความทุกข์ความทุกข์นี้ก็คือความทุกข์ใจเวลาไม่สบายใจเนี่ยแสดงว่ามีพระอริยสัจสี่ปรากฏขึ้นมาแล้วแต่เรากลับไม่รู้จักมันว่าเป็นพระอริยสัจสี่ พอเกิดความทุกข์ขึ้นมาในใจแทนที่จะเข้าหาพระริยสัจสี่แล้วกับวิ่งหนีกันพอเกิดความไม่สบายใจก็พยายามหาวิธีกำจัดมันและการกำจัดมันก็ไม่ใช่เป็นวิธีที่กำจัดมันเป็นวิธีที่กลับทาให้มันกลับมาหาเราอยู่เรื่อยๆ เ, เราจึงทุกข์กันอยู่เรื่อย ทุ ก, กันมาตั้งแต่วันเกิดจนถึงวันตายเพราะวิธีดับความทุกข์ใจของเราไม่ใช่เป็นวิธีดับความทุกข์ใจแต่เป็นวิธีสร้างความทุกข์ใจให้มีปรากฏขึ้นมาอยู่เรื่อยๆเพราะเราไม่รู้จักวิธีดับความทุกข์ใจใจเราจะมีส่วนใหญ่จะมีแต่พระอริยสัจข้อที่หนึ่ง คือความทุกข์ใจและอริยศาสตข้อที่สองคือต้นเหตุของความทุกข์ใจที่เราไม่รู้กันว่าเป็นต้นเหตุที่พระพุทธเจ้าเท่านั้นที่ทรงรู้ว่าเป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจนั่นก็คือตัณหาทั้งสามกามตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะภาวะตัณหา ความอยากมีอยากเป็นอยากได้นั่นอยากมีนี่เรียกว่าภาวะตันหาละวิภาวะตันหาความอยากไม่เป็นอยากไม่มีอยากไม่เป็นอย่างนั้นอยากไม่มีอย่างนี้เช่นอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยากไม่ให้เขาด่าเราอยากไม่ให้เขาว่าเราอันนี้เรียกว่าวิภาวะตันหา ตัวสามตัวนี้แหละที่เป็นตัวสร้างความทุกข์ใจไม่สบายใจให้กับเราแต่แทนที่เราจะกำจัดมันเรากลับไปส่งเสริมมันโดยไม่รู้สึกตัวเวลาไม่สบายใจแทนที่จะหยุดการความอยากในรูปเสียงกลิ่นรดกลับไปทำตามความอยากในรูปเสียงกลิ่นลด เป็นเวลาไม่สบายใจเพราะไม่ได้ไปเที่ยวเพราะเงินไม่มีแทนที่จะเลิกเที่ยวกับไม่ยอมเลิกกับพยายามไปหาเงินหาทองเพื่อที่จะได้มีเงินไปเที่ยวพราเวลาไปเที่ยวมันทําให้ความไม่สบายใจหายไปแต่เป็นการหายแบบปลอมไม่ใช่เป็นการหายแบบถาวรเป็นการหายแบบชั่วคราวพอไปเที่ยว ความไม่สบายใจก็หายไปชั่วคราวแต่พอกลับมาอยู่บ้านไม่กี่วันความอยากเที่ยวก็โผล่ขึ้นมาอีกความไม่สบายใจก็โผล่ขึ้นมาใหม่นี่คืออริยสัจสองข้อที่ผูกมัดสัจโลกให้ติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดคือความทุกข์สัจกับสมบุทัยสัจ เขาอริยสัจข้อที่หนึ่งเราเรียกว่าทุกขสัจจะความทุกข์ความจริงที่เป็นความทุกข์ที่เป็นความจริงที่มีอยู่ในใจและสมุทยัยทยัสสัจจะก็คือต้นเหตุของความทุกข์ใจที่มีอยู่ในใจเหมือนกันที่สัตว์โลกไม่รู้จักที่จะกําจัดแทนที่จะกําจัดกลับไปส่งเสริม ให้มันจเจริญงอกงามเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆด้วยความหลงด้วยความไม่รู้วิธีคิดว่าการกําจัดความโลภความความอยากต่างๆก็คือทำตามความอยากเพราะเวลาทำตามความอยากความอยากนั้นก็หายไปชั่วคราวเช่นอยากไปเที่ยวพอเวลาเวลาไปเที่ยวนี่ความอยากไปเที่ยวก็ไม่มีแนละ้วมีแต่เที่ยวอย่างเดียว แต่พอเที่ยวเสร็จกลับมาบ้านอยู่บ้านไม่กี่วันเดี๋ยวก็อยากเที่ยวขึ้นมาใหม่ไม่มีใครรู้จักวิธีที่จะกําจัดความอยากดับความทุกข์ใจที่เกิดจากความอยากนี้ที่เป็นอริยาสตร์ข้อที่สามและข้อที่สี่อริยาสตร์ข้อที่สามคือนิโรดนิโรดคือการ ดับของความทุกข์การหายไปของความทุกข์ไม่รู้วิธีไม่มีใครทำให้ทุกข์หายไปจากใจได้และข้อที่สี่วิธีที่จะทำให้ความทุกข์หายไปจากใจก็ไม่มีใครรู้ว่าทำอย่างไรถึงทำให้ความทุกข์หายไปจากใจได้อาริยสัจข้อที่สามและข้อที่สี่นี้ จะปรากฏขึ้นมาต่อเมื่อมีคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่จะมาค้นพบวิธีที่จะดับความทุกข์ใจทำให้นิโรธคืออริยสัจข้อที่สามปรากฏขึ้นมาคือการดับของความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจดับได้ด้วยอริยสัจสี่ข้อที่สี่คือมรคมรค ก, ก็คือเครื่องมือ เครื่องมือที่จะมาหยุดตัญหาความอยากต่างๆที่จะทำให้ความทุกข์ต่างๆหายไปอย่างถาวอนต้องหยุดด้วยมรมรจะเป็นผู้รู้วิธีที่จะทำลายตันหาทั้งสามคือกามตันหาภวะตันหาและวิภาวะตันหาให้หมดไปจากใจวิธีที่จะทำลายนั้น ต้องทำลายด้วยการไม่ทำตามความอยากเท่านั้นอยากอะไรก็อยากไปทำตามมันแล้วต่อไปความอยากนั้นมันจะหมดฤทธิหมดเดชถ้าไปทำตามมันมันจะไม่มีวันหมดฤิหมดเดชเช่นถ้าสูบบุหรี่ถ้าติดอยู่กับการสูบบุหรี่ถ้าอยากจะเลิกสูบบุหรี่จะเลิอกอย่างไร ก็ต้องเลิกด้วยการเวลามีความอยากสูบบุหรี่ก็ต้องไม่สูบมันเท่านั้นถ้าทุกครั้งที่มันอยากสูบบุหรี่ไม่สูบบุหรี่ตามที่ความอยากตามความอยากต่อไปความอยากสูบบุหรี่มันจะหายไปแต่ถ้าทุกครั้งที่เกิดความอยากสูบบุหรี่แล้วทำตามความอยากความอยากหายไปเดียวเดียว หายไปในช่วงที่ได้สูบบุหรี่ช่วงที่ได้สูบบุหรี่นี้ไม่มีความอยากพราได้สูบหรือสูบเสร็จใหม่ๆความอยากสูบบุหรี่จะไม่มีความอยากสูบบุหรีร่หายไปชั่วคราวแต่หายไปไม่นานเดี๋ยวความอยากสูบบุหรี่ใหม่ก็โผล่ขึ้นมาอีกเนี่ยนี่คือวิธีที่พระพุทธเจ้าได้ส่งค้นพบ ถ้าอยากจะทำลายความทุกข์ใจต่างๆให้หมดไปต้องทำลายด้วยการละความอยากต่างๆไม่ใช่ด้วยการทำตามความอยากต่างๆถึงแม้ว่าการทำตามความอยากจะทำให้ความทุกข์ใจหายไปก็ตามแต่เป็นการหายไปเพียงชั่วคราวขณะที่อยากสูบุรีนี้ใจจะทุกข์มาก กวนกวายกระสับกระสายหงดหงิดลำคาญใจพอได้สูบบุหรี่ความทุกข์ใจนั้นก็จะหายไปแต่หายไปไม่นานหายไปไม่ถาวรเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็เกิดความกงุดหงิดเกิดความลำคาญใจใหม่ปรากฏขึ้นมาเพราะอยากจะสูบบุหรี่ใหม่นั่นเองนี่คือนี่ไม่ใช่วิธีที่จะ ดับความทุกข์ใจยุติการกลับมาเกิดแก่เจ็บตายต้องยุติด้วยการละความอยากการจะละความอยากได้ก็ต้องมีมัสมัช ก, ก็คือศีลสมาธิปัญญานี้เองไอ้มีศีลมีสมาธิมีปัญญาก็จะสามารถละความอยากได้ เพราะผู้ที่มีศีลสมาธิปัญญาจะรู้ว่าความอยากนี่เป็นตัวที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจไม่สบายใจและการที่จะละความอยากต้องละด้วยการไม่ทำตามความอยากเท่านั้นอันนี้เป็นความรู้ที่จะรู้ด้วยตนเองไม่ได้นอกจากพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้น ที่สามารถค้นหาความจริงอันนี้ได้ค้นพบความจริงได้ด้วยตนเองเพราะพระพุทธเจ้าทรงทดลองทุกรูปแบบทําตามความอยากก็ทามาแล้วแล้วก็รู้ว่ามันไม่หายก็เลยลองทําอีกทางดูงดไม่ทําตามความอยากดูมันอยากอะไรก็ไม่ทาตามมันพอไปทําแบบนี้เข้าความอยากกลับหายไป ก็เลยทำให้พระองค์หายจากความทุกข์ต่างๆหายจากความอยากต่างๆยิ่งทาให้พระองค์หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆหลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายต่งางๆการเกิดแก่เจ็บตายก็เกิดจากความอยากเหล่านี้นี่เองถ้ายังมีความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสอยากในความอยากมีอยากเป็นหรืออยากไม่มีอยากไม่เป็น ความอยากเหล่านี้แหละที่เป็นตัวที่พาให้เรามาเกิดกันเพราะความอยากมันยังต้องใช้ร่างกายอยู่ถ้ายังอยากดูก็ต้องมีตาอยากฟังก็ต้องมีหูอยากลิ้มรสก็ต้องมีลิ้นอยากดมกลิ่นก็ต้องมีจมูกอยากสัมผัสอะไรต่างๆก็ต้องมีร่างกายอยากจะสัมผัสกับความเย็นความร้อน ความนุ่มความแข็งก็ต้องมีร่างกายถ้ายังมีความอยากทั้งสามประการนี้อยู่ก็ยังจะต้องมีร่างกายยังต้องมาเกิดใหม่ร่างกายนี้พอตายไปแล้วใจที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจที่มีความอยากทั้งสามประการนี้ก็จะไปรอรับร่างกายอันใหม่ก่อนที่จะได้รับร่างกายอันใหม่ก็ ต้องไปรับผลบุญผลบาปก่อนถ้าทำบาปก็ต้องไปรับผลของบาปที่อบายก่อนถ้าทำบุญก็ไปรับผลบุญที่สวรรค์ก่อนแล้วพอหมดบุญหมดบาปค่อยกลับมาเกิดมาได้ร่างกายอันใหม่เพื่อที่จะได้มาทำตามความอยากทั้งสามประการใหม่นี่คือ เรื่องของผู้ที่ไม่รู้จักวิธีกําจัดความทุกข์กำจัดความอยากด้วยมรรคก็จะกําจัดด้วยการทําตามความอยากต่างๆก็จะต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่เรื่อยๆแต่ผู้ที่ฉลาดคือพระพุทธเจ้าท่านลองกําจัดด้วยการไม่ทําตามความอยากดูพอไม่ทําตามความอยาก ความอยากมันก็ค่อยๆหายไปและหมดไปในที่สุดพระพุทธเจ้าก็เลยพบกับความจริงข้อที่สี่ที่ไม่มีใครรู้มาก่อนและความจริงข้อที่สามปรากฏขึ้นมาในใจของพระพุทธเจ้าคือความทุกข์ที่มีอยู่นั้นหายไปหมดหายไปจากใจหมดความทุกข์ที่หายไปจากใจนี้ถ้าจะเปรียบเทียบก็เหมือนกับเวลาที่ ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วย mm. เวลาที่เราเป็นไข้นี่ร่างกายจะขั้นเนื้อขั้นตัวจะมีอาการเจ็บปวดไปทั่วร่างกายแล้วพอเราได้รับประทานยาไปสักระยะหนึ่งความเจ็บปวดที่มีอยู่ภายในร่างกายนี้จะหายไปหมดเลย mm. เราจะเห็นความแตกต่างกันอย่างชัดเจนระหว่างเวลาที่ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วย กับเวลาที่ร่างกายไม่เจ็บไข้ได้ป่วยนี้ว่าเป็นอย่างไรฉันใดใจก็เหมือนกันฉันนั้นใจที่มีความทุกข์อยู่ตลอดเวลาพอได้รับการ อ, อดูแลด้วยการกําจัดความอยากต่างๆด้วยการไม่ทําตามความอยากต่างๆพอความอยากต่างๆที่เคยมีอยู่ในใจหมดไปหายไป ความทุกข์ใจต่างๆก็จะหายไปหมดผู้ที่ปฏิบัติจะเห็นได้ชัดเจนเลยไม่ต้องไปถามพระพุทธเจ้าว่าหายทุกหรื อ, อยังยังมีความทุกข์อยู่หรือไม่เวลาทุกมันหายนี้มันหายอย่างชัดเจนเหมือนกับเวลาอาการเจ็บไข้ได้ป่วยหายไปมันหายอย่างชัดเจนคนไข้ไม่ต้องไปถามหมอว่าหมอผมหายหรือยัง คนไข่บอกผมขอกลับบ้านแล้วผมไม่เป็นอะไรแล้วหมอไม่รู้หรอกว่าเราหายหรือยังคนไข้นี่แหละรู้เวลาเป็นไข่ทําไมจะไม่รู้เวลาหายจากไข่ทําไมจะไม่รู้ฉันได้ผู้ปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันผู้ที่เจริญมรรคเนี่ยผู้ที่เจริญศีลสมาธิปัญญานี่แหละเป็นผู้ที่จะทําให้ความทุกข ใจต่างๆหายไปหมดจากใจหายได้ด้วยการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญานี้เองศีล ส, สมาธิปัญญาที่เป็นอริยสัจสี่อริยสัจข้อที่สีน่นี่เป็นความรู้ที่ไม่มีใครรู้ไม่มีใครค้นพบนอกจากพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าจะไม่มีใครรู้วิธี กำจัดความทุกข์ใจต่างๆให้หายไปหมดจากใจจะต้องทุกไปนานะไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดจนกว่าจะได้มาพบกับพระพุทธเจ้าได้พบกับแก่นคําสอนของพระพุทธเจ้าคือพระอริยสัจสี่พอได้พบกับพระอริยสัจสี่ได้พบกับคําพระอริยสัจข้อที่สี่ คือการเจริญสีนสมาธิปัญญาถ้าเริ่มเจริญสีนสมาธิปัญญาไปเรื่อยๆต่อไปสีนสมาธิปัญญานี้ก็จะไปหยุดความอยากต่างๆพอความอยากต่างๆถูกทาลายไปหมดความทุกข์ในใจก็จะหายไปเปรียบเหมือนกับร่างกายร่างกายเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะมีเชื้อโรค พอเรารับประทานยาฆ่าเชื้อโรคยาฆ่าเชื้อโรค ก, ก็จะไปทำลายเชื้อโรคที่ทำให้ร่างกายเกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยพอยาทำลายเชื้อโรคหมดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยทางร่างกายก็จะหายไปหมดอรยสัทข้อที่สี่คือมรคือศีลสมาธิปัญญานี้ก็เรียกว่าธรรมโอสถนี้เอง ที่เราเรียกว่าธรรมะโอสถยารักษาความทุกข์ใจด้วยธรรมะธรรมะก็คือศีลสมาธิปัญญาศีลและธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมเป็นธรรมะโอสถเป็นยารักษาโลกใจคือความทุกข์ใจถ้าเรากินยาธรรมะโอสถเราก็จะสามารถ ดับความทุกข์ใจต่างๆได้เพราะธรรมโอสถนี้จะสอนให้เราละความอยากให้เราหยุดความอยากและสอนให้เราสู้กับความอยากได้เพราะถ้าเรามีศีลมีสมาธิมีปัญญาเวลาเกิดความอยากขึ้นมาใจเราจะไม่ทุกข์ใจเราฝืนความอยากได้อย่างไม่มีความทุกข์ ถ้าเราไม่มีศีลไม่มีสมาธิปัญญาเวลาเราฝืนความอยากนี่ใจเราจะทุกข์มากดูคนที่ติดบุหรี่ติดสุราติดยาเสพติดเวลาที่เขาจะเลิกนี้เขาจะทุกข์มากเพราะเขาไม่มีศีลสมาธิปัญญาแต่ถ้าเขามีศีลสมาธิปัญญานี่เขาเลิกได้อย่างง่ายดายมาก เลิกบุหรี่ก็เลิกได้ง่ายเลิกสุราก็เลิกได้ง่ายเลิกยาเสพติดก็เลิกได้ง่ายเลิกอะไรต่างๆที่มนุษย์เราติดกันอยู่นี่ผู้ที่มีศีลสมาธิปัญญานี่จะสามารถเลิกได้อย่างง่ายดายอย่างไม่ทรมานใจเราจึงต้องมีศีลสมาธิปัญญาถ้าไม่มีศีลสมาธิปัญญา เราเลิกไม่ได้เลิกความอยากต่างๆไม่ได้พอเกิดความอยากขึ้นมานี่ใจสั่นใจไม่สบายใจใจหงดหยิดลำคาหอทรมานใจเวลาอยากไปเที่ยวเวลาไม่ได้เที่ยวนี้เศร้าส่้อยหงอยเหงาว้าเหวซึมเศร้าขึ้นมาเวลาอยากดื่มอยากสูบบุหรี่ใจก็จะ อดหยีบนำคาญใจขึ้นมาผู้ที่ไม่มีศีลสมาธิปัญญาจะไม่สามารถที่จะละความอยากต่างๆที่เกิดขึ้นมาในใจได้ดังนั้นถ้าอยากจะละความอยากอยากจะกำจัดความทุกข์อยากจะหยุดการเกิดแก่เจ็บตายจึงต้องมาสร้างศีลสมาธิปัญญากันนี่คืออริยสัจข้อที่สี่ที่ ไม่มีในใจของปุถุชนแต่ถ้าเราเริ่มสร้างศีลสมาธิปัญญาขึ้นมาตามลําดับต่อไปศีลสมาธิปัญญาก็จะทําให้ใจของปุถุชนนี้กลายเป็นพระอริยะเจ้าขึ้นมาตามลําดับเลยนะพระโสดาบันพระสกิดาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์เกิดจากการมีศีลสมาธิปัญญาอยู่ภายในใจนี้เอง รักษาศีลให้บริสุทธิ์ฝึกสมาธิทําจิตรวมให้เป็นอัปปนาสมาธิให้ได้แล้วเจริญปัญญาให้เห็นไตรลักษณ์ให้เห็นว่าทุกนี้เกิดจากความอยากเห็นว่าการจะดับความอยากได้ต้องละความอยากด้วยการเห็นด้วยปัญญาว่าการทำตามความอยากเป็นการสร้างความทุกข์ไม่ใช่เป็นการดับความทุกข์การไม่ทาตามความอยาก เป็นการดับความทุกข์เนีถ้ามีศีลมีสมาธิมีปัญญาแล้วก็จะสามารถกำจัดความอยากต่างๆที่ปรากฏขึ้นมาได้ตามลำดับอยากตัวไหนโผล่ขึ้นมาก็หยุดมันได้ตัวอยากตัวไหนพออยากขึ้นมาก็หยุดมันได้พระโสดาบันนี้หยุดความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายได้ไม่กลัวความแก่ไม่กลัวความเจ็บไม่กลัวความตาย พอเกิดความอยากไม่แก่ก็หยุดมันปล่อยให้มันแก่ไปพอเกิดความอยากไม่เจ็บก็หยุดมันปล่อยให้มันเจ็บไปเพราะยังไงก็หยุดมันไม่ได้หยุดความแก่ไม่ได้หยุดความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ได้แต่หยุดความทุกข์ใจได้หยุดความทุกข์ใจที่เกิดจากความอยากไม่แก่ได้ความทุกข์ใจที่เกิดจากความไม่ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยได้ ความทุกข์ใจที่เกิดจากความไม่อยากตายไม่ตายได้เกิดจากความตายได้ยอมตายเพราะยังไงก็ต้องตายยอมตายก็คือหยุดความอยากไม่ตายหยุดต่อสู้ปล่อยให้มันตายไปพอใจไม่มีความอยากตายมันก็ไม่ทุกข์กับความตายนี่คือการมีศีลสมาธิปัญญาตายละ ต้องทำไปตามกำลังพระโสดาบันก็หยุดได้แค่สามตัวนี้ก่อนหยุดความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายได้แต่ยังหยุดความอยากที่จะเสพกามไม่ได้ยังอยากร่วมหลับนอนกับคนนั้นคนนี้อยู่ก็จะต้องทําเจริญปัญญาขั้นต่อไปแล้วก็จะทําให้หยุดได้ปัญญาที่จะหยุดก็คือการเห็นอสุภนี้เอง เห็นความไม่สวยงามของร่างกายอย่าไปเห็นความสวยงามเห็นความสวยงามแล้วจะเกิดความอยากเสพกามพอเห็นว่าไม่สวยงามความอยากเสพกามก็จะหายไปเช่นเวลาเห็นคนเป็นนี่ก็อยากจะเสพพอเห็นคนตายนี่ไม่อยากจะเสพแล้วคนคนเดียวกันเนี่ยเวลาเป็นเนี่ยหวงกันรักกันใครมาแตะมาต้องไม่ได้ พอเวลาตายนี้ไม่ห่วงแล้วไม่รักแล้วกายอยากได้เอาไปเลย ส, สับปเปลยไม่เคยรู้จักกันมาก่อนถึงเวลาก็ยกร่างกายของคนที่เรารักไปให้ได้อย่างง่ายดายเลยถ้าเราอยากจะไม่เสพกามเราต้องนึกถึงร่างกายของคนที่เราอยากจะเสพกามเวลาเขาตายเวลาเขาไม่มีลมหายใจแล้วเรายังจะเก็บเขาไว้ในบ้านหรือเปล่า ยังจะร่วมหลับนอนกับเขาอยู่หรือเปล่าอันนี้เป็นการตัดความอยากด้วยปัญญาขั้นต่อไปต้องเห็นอสุภะนี่คือเรื่องของมรรคเรื่องของอริยาสต ร, ร์ข้อที่สี่ที่ยังไม่มีในใจที่จะต้องเจริญขึ้นไปเรื่อยๆขั้นต้นก็หยุดความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายขั้นต่อไปก็หยุดความอยาก เสพการกับผู้อื่นด้วยการเห็นผู้อื่นว่าเป็นซากศพไม่สวยไม่งามน่าเกลียดหน้ากลัวก็จะสามารถตัดความอยากต่างๆพอความอยากมันไม่มีความทุกข์ก็จะไม่มีอยู่คนเดียวจะไม่รู้สึกเหงาจะไม่รู้สึกว้าเหวอยู่ได้อย่างสบายไม่เดือดร้อนแต่ถ้ายังมีความอยากเสพการอยู่ เวลาเกิดความอยากขึ้นมานี้นอนไม่หลับกินไม่ได้นอนไม่หลั บ, นนลบ ว, ว้าเหวเศร้าซ้อยงอยเหงาเออจืดชื่อชีวิตจืดชื้ออต้องได้เสพกามก่อนถึงจะมีชีวิตชีวา อ, อ, อันนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องมาเจริญกันคือเจริญมรรคเออจริญศีลสมาธเออิเป็นขั้นขั้นไปเออจริญศีลก่อน เมื่อได้ศีลแล้วก็ไปเจริญสมาธิต่อเจริญสมาธิได้แล้วก็ไปเจริญปัญญาต่อพอเริ่มเจริญปัญญาที่นี้แหละจะได้เริ่มบรรลุปเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆได้ศีลกับสมาธินี้ยังไม่สามารถที่จะทำให้เป็นพระอริยบุคคลได้แต่ถ้าไม่มีศีลไม่มีสมาธิก็จะเจริญปัญญาไม่ได้ พอไม่มีกำลังพอที่จ ะ, จะเจริญปัญญาจึงต้องจเจริญศีลก่อนเริ่มตั้งแต่ศีลห้าจากศีลห้าก็ขยับไปสู่ศีลแปดแล้วถ้าอยากจะ เ, เพิ่มมากกว่านั้นก็เป็นศีลสิบศีลสองรอยสิบเจ็ดศีลสามร้อยกว่าข้อไปพอรักษาศีลได้แนละ้วทีนี้ก็จะมีกำลังที่จะมาจะเจริญสมาธิได้ พอจเจริญสมาธิได้จิตสงบนิ่งสงบเป็นอุเบกขาได้มีความสุขในตัวเองก็จะไม่ทรมานเวลาที่จะใช้ปัญญาสอนใจให้เลิกความอยากต่างๆให้ละความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจทุกครั้งที่เกิดความอยากถ้าใจมีสมาธิแล้วจะไม่ทรมานไม่มีความรู้สึกเหงาว้าวเว่เศร้าซ้อยงอยเหงา เวลาเกิดความอยากจะเสพกามขึ้นมาเพียงแต่ทําใจให้สงบความอยากเสพกามนั้นมันก็หายไปหยุดไปอันนี้เป็นเรื่องของการเจริญที่จะต้องเจริญเป็นขั้นเป็นตอนเพราะมันสนับสนุนกันศีลจะสนับสนุนให้เกิดสมาธิสมาธิจะสนับสนุนให้เกิดปัญญาปัญญาจะสนับสนุนให้ ดับความทุกข์ต่างๆได้ให้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้ต้องหลุดพ้นด้วยปัญญาแต่ปัญญาตามลำพังนี้ไม่มีกำลังพอเช่นปัญญาอย่างที่พวกเรากำลังเรียนกันอยู่ตอนนี้เป็นปัญญาที่ยังไม่มีกำลังเรารู้อริยสัจเรารู้ว่าเราจะต้องละความอยากเรารู้ว่าเราต้องสร้างศีลสมาธิ ป, ปัญญา แต่เราไม่มีกำลังเวลาเกิดความอยากหยุดมันไม่ได้สู้ความทุกข์ทรมานใจไม่ได้เพราะเกิดความอยากวิธีแก้ความทุกข์ทรมานใจก็ไปทำตามความอยากอันเพราะเรายังไม่มีศีล ส, สมาธิปัญญาที่มีกำลังที่จะสู้กับความอยากได้นั่นเองดันั้นปัญญาระดับแรกนี้จึงไม่พอ ปัญญาระดับแรกเราเรียกว่าสุตตะมายาปัญญาปัญญาที่เกิดจากการเรียนรู้จากการได้ยินได้ฟังแต่เป็นปัญญาที่สาคัญถ้าไม่ได้เรียนรู้จะจะไม่รู้จากวิธีที่จะไปต่อสู้กับความอยากไม่รู้ว่าจะต้องไปสร้างศีลสมาธิปัญญาขึ้นมาก่อนแต่ถ้าได้เรียนรู้แล้วจะได้รู้ว่าขั้นต่อไปเราต้องไปเจริญศีลสมาธิปัญญา แล้วถ้าเราไปเจริญสีนสมาธิปัญญาได้พอกิเลสพอความอยากเกิดขึ้นมาเราต้องการหยุดมันเราก็หยุดมันได้เราจะหยุดมันได้อย่างไม่มีความรู้สึกทรมานใจแต่ถ้าเราไม่มีศีนสมาธิปัญญาพอเกิดความอยากขึ้นมาแทนที่จะฝืนแทนที่จะหยุดมันเรากลับรีบไปทำตามที่มันอยาก ท, ทันทีมันก็เลยไม่หายไปจากใจของเรา มันก็อยู่คลองใจของเรามาตั้งแต่ดึกดําบรรจจนมาถึงปัจจุบันนี้และจะครอบคลองใจของเราต่อไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดถ้าเรายังไม่สามารถสร้างศีลสมาธิปัญญาขึ้นมาให้ได้สมบูรณ์พระพุทธเจ้าจึงสอนว่าต้องเจริญมรรคคือศีลสมาธิปัญญาให้สมบูรณ์ถ้าไม่สมบูรณ์ไม่เต็มร้อย ก็เหมือนกับการกินยารักษาโรคที่ไม่กินตามที่กินครบตามจำนวนที่หมอสัง่งถ้ากินยาไม่ครบจำนวนโรคภายใ้เจ็บก็จะไม่หายฉันใดถ้าไม่สร้างศีลสมาธิปัญญาให้ครบบริบูรณ์ให้เต็มร้อยความทุกข์ต่างๆภายในใจก็จะไม่หายไปเพราะจะไม่สามารถกาจัดความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไปได้นั่นเอง ดังนั้นพวกเราจึงต้องมาศึกษากันเพื่อให้รู้ว่าเราจะต้องทำอะไรกันถ้าเราอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเราก็ต้องมาเจริญมรรคกันมาสร้างธรรมโอสถมารับประทานธรรมโอสถคือศีลสมาธิปัญญาตอนนี้มีศีลกี่ข้อสำรวจดู มีครบหรื อ, อยังถ้ายังไม่ครบก็ทําให้มันครบศินห้าได้หรื อ, อยังได้ศินห้าแล้วได้ศินแปดหรื อ, อยังถ้าได้ศินแปดก็ถือว่าครบสามารถไปเจริญสมาธิได้แล้วสมาธิก็สํารวจดูว่าจิตรวมหรื อ, อยังจิตสงบเป็นหนึ่งเป็นเอกขักะตารมหรื อ, อยังสักแต่ว่ารู้หรื อ, อยังเป็นอุเบกขาหรื อ, อยังอันนี้ถ้ายังไม่ได้ก็ต้องทําให้ได้ ถ้าได้แล้วทีนี้ก็ไปทางปัญญาไปดูว่าความอยากนี้เป็นต้นเหตุของความทุกข์หรือของความสุขการทำตามความอยากทำให้ความอยากหายไปหรือทำให้ความอยากกลับมาอยู่เรื่อยๆการไม่ทำตามความอยากทำให้ความอยากหายไปหรือกลับมาอยู่เรื่อยๆเราก็จะเห็นชัดด้วยการปฏิบัติด้วยการทดลอง เราเคยทำตามความอยากมานานแสนนานแล้วความอยากมันเคยหายไปหรือไม่เรามาลองทาไม่ทำตามความอยากดูสิดูว่ามันจะหายไปหรือไม่พอเราทำปั๊บเดี๋ยวเราก็จะรู้เองหรือว่าความอยากมันจะหายไปก็ต่อเมื่อเราไม่ทำตามความอยากเมื่อไม่มีความอยากไม่ทำตามความอยากต่อไปความอยากก็จะหายไปความทุกข์ก็จะหายไป การเกิดแก่เจ็บตายก็จะหายไปการเวียนว่ายตายเกิดในตายพบก็จะหมดไปจิตก็จะสงบเป็นนิพพานไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดเศรษฐล ม, มัสุขไปตลอดนิบานังปามังสุขขังเกิดจากการเจริญมรรคให้เต็มร้อยจเจริญศีลสมาธิปัญญาให้เต็มร้อยแล้วความอยากต่างๆก็จะหมดไปจากใจ ความทุกข์ที่เกิดจากความอยากต่างๆก็จะหมดไปจากใจเหลือแต่ความสงบเหลือแต่ความสะอาดบริสุทธิ์ของใจที่เป็นสั ญ, ญลักษณ์ของพระนิพพาน <c oughs> ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปนี่คือแก่นของศาสนาแก่นของคําสอนของพระพุทธเจ้าคือพระอริยสัจสีที่ไม่มีใครรู้นอกจากพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียว ผู้ใดที่ได้ยินได้ฟังจากพระพุทธเจ้าก็จะได้รับประโยชน์เพราะจะสามารถทําให้จิตใจของตอนนั้นปลดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้นั่นเองจึงขอให้ท่านยึดกับพระอริยสัจสี่พยายามศึกษาพยายามปฏิบัติพระอริยสัจสี่ให้ได้ตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติเถิด แล้วความสุขและความเจริญความหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆก็จะเป็นผลที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขออนุโมทนาให้พรอยาทาวาริวะหาปุราปุริปุรเรนติสากลังเอวเมวะอิโตทินางเปตานาังอุปกปปัปติ อิทิตังปัตติตังตุมหังคิดปาเมวะสามิตจตุสัพเพปุรนตุสังกปาจันโทปนาระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัจฉันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภาวะวันตารโยสุขีทีขายุโกภะ อภิวาทนสีฤิธสานาาิจังวุธาปจายโนจตารโรธรร ม, มวัฏฐานติอายุวันโนสุขังภาลงวันนี้เข้ามาเท่าไหร่วันนี้ทางเฟซบุ๊กเข้ามาสามคน y ยห้าสิบคนู YouTube เข้ามาเจ็สิบห้าคนเลดีโอยิบสองคน พูดและฟังบนเขาวันนี้มีหนึ่งร้อยห้าคนรวมทั้งหมดห้าร้อยห้าสิบสองคนครับผมวันนี้ฝนฟ้าอากาศไม่เอืออํานวยคนเลยไม่กล้ามากันคำถามจากลายนะคะกาสมกาบนามัสการค่ะพระอาจารย์อยากเรียนถามว่าเราฝันเห็นแม่ยืนอยู่หน้าประตูบ้านมีผู้ชายไม่ให้เข้ามาแล้วเราเปิดประตูให้ แม่เข้ามาแสดงว่าแม่เขาอยากมาอยู่ด้วยหรือคะออความฝันไม่มีอะไรแน่นอนความฝันอาจจะเป็นความคิดปรุงแต่งของเราไป เ, ออเวลาเรานอนหลับในใจเรายังไม่หลับร่างกายหลับแต่ใจยังทำงานต่อใจมันก็ปรุงแต่งไปตามประศีภาษาของมันงั้นเราไม่ต้องไปกังวลกับมันถ้าเราไม่มียานอย่างทราบถ้าเราอยากจะรู้เป็นความจริงเราต้องคุยกับแม่ได้ เช่นเวลาแม่มาเข้าฝันล้วก็ถามแม่เป็ไงสบายดีหรือเปล่าตอนนี้อยู่ที่ไหนอยากได้อะไรอย่างเงี้ยเป็นของจริงคนที่มีสมาธินี้สามารถติดต่อกับคนตายได้เช่นแม่ชีรูปหนึ่งเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มัน่นพอดีช่วงนั้นหลวงปู่มั่นไม่สบายใกล้ตายแม่ชีท่านก็จะไปกราบอยู่คนละอำเภอตอนกลางคืน จะไปวันรุมงขึ้นแต่ตอนคืนก็เข้าสมาธิพอเข้าสมาธิหลวงปู่มัน่นท่านก็มาหาท่านบอกว่าไม่ต้องไปเยี่ยมเราหรอกเราตายแล้วไปก็ไปเจอแต่ร่างกายไม่เจอตัวเราหรอกแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆพอตอนเช้าแม่ชีก็ได้ข่าวทางบะตามเผยก็ส่งข่าวมาบอกว่าหลวงปู่มั่นได้มรณะภาพไปแล้วเมื่อคืนนี้นี่คือของจริงของจริงต้องสามารถพิสูจน์ได้น แต่ถ้านอนหลับแล้วฝันไปนี่ไม่รู้จริงหรือไม่จริงนี่ก็อย่าไปกังวลกับมันคันถามต่อไปนะคะข้าพเจ้าในไมตีศิลาแสงพร้อมครอบครัวไปทำบุญโรงทานเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรเทวดารักษาประจำตัวและสรรพสัตว์ทั้งหลายพวกเขาได้รับบุญที่ข้าพเจ้าในไมตีศิลาแสงพร้อมครอบครัว และญาติของข้าพเจ้าเขาได้รับบุญกุศลใช่ไหมครับพระอาจารย์อ๋อได้รับพวกเดียวเท่านั้นพวกที่จะรับได้ก็คือพวกเปรดพวกอื่นนี้เขารับไม่ได้เพราะเขาอยู่ในฐานะที่ไม่ไม่ต้องมาเรารับส่วนบุญถ้าเป็นเทวดาเขาก็มีบุญมากถ้าเป็นมนุษย์เขาก็ไปเกิดแล้วเพราะฉะนั้นพวกที่จะรอรับก็คือพวกเปรด กกค่กมมุไสาารถออกมารับได้คถามต่อไปนะคะอยากเรียนถามพระอาจารย์สุชาติว่าตั้งแต่ฝึกเจริญสติอยู่กับปัจจุบันรู้ตัวว่าตอนนี้กําลังทําอะไรอยู่ก็จะมีผลทําให้ลืมเรื่องลืมสิ่งที่จะต้องทําในอนาคตค่ะไม่เหมือนเมื่อก่อนไม่รู้ตัวว่าปัจจุบันกําลังทําอะไรเพ่งใจไปแต่อนาคต ว่าจะต้องทําอะไรบ้างก็เลยไม่ลืมสิ่งที่จะทําตอนนี้จึงสับสนว่าเจริญสติรู้ตัวว่าขณะนี้ทําอะไรอยู่นี้ทําผิดหรือถูกคะ อ, อ๋อไม่ผิดหรอกเราอยู่ในปัจจุบันเราก็รู้ว่าเรากําลังทําอะไรอยู่ออส่วนอนาคตเราก็รู้พอคิดถึงมันเราก็รู้เลยถ้าเราไม่คิดถึงมันมันก็ไม่รู้ เ, ออเมื่อเราไม่มีความจําเป็นจะต้องรู้ก็อย่าเพิ่งไปรู้ ไว้ให้ไปรู้ตอนที่เราต้องรู้ก็แล้วกันอกพอถึงเวลาจะกินข้าวเดี๋ยวมันก็รู้เองอ๋อถึงเวลากินข้าวแล้วมันไม่ลืมหรอกไม่ต้องกลัวคำถามต่อไปอ ก, ก่อนนอนฟังธรรมะบ ร, รรยายแล้วภาวนาพุทโธจนจิตเป็นสมาธิแล้วคำบริกรรมภาวนาหายไปลมหายใจละเอียดมากเสียงธรรมะบ ร, รรยายที่เปิดไว้แทบจะไม่รับรู้ สักพักได้ยินเสียงตัวเองกรนเบาๆในลำคอที่กระผมทำมาถูกต้องไหมครับควรปฏิบัติอย่างไรต่อไปดีครับ อ, อ๋อถ้ากรนก็ไม่ถูกต้อง <c oughs> ต้องไม่กรนต้องนิ่งเฉยๆถ้ากรนก็เริ่มแสดงว่าเริ่มง่วงเริ่มหลับแล้วคำถามจาก Facebook จากคุณกรนทไทกราบนามสการพระอาจารย์ขอเรียนถามสตี สามารถบรรลุนิพพานได้ด้วยการปฏิบัติธรรมอย่างไรบ้างคะก็เหมือนกับผู้ชายผู้หญิงผ<าน>ู้ช<ง>าย<น>ก็มีเกเลตเหมือนกันจะบรรลุก็ต้องปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาเหมือนกันคำถามจากคุณนาเพึ่งสำราญสุขกราบนมัสการคารหลวงพ่อลูกปฏิบัติตามหลวงพ่อสอนทุกอย่างคะ่ะลูกมีอาการเบื่อชีวิตที่เกิดมาแล้วเหมือนใช้ชีวิตแบบไร้ก่นสาร ไม่มีสาระอะไรเลยอาการนี้ผิดปกติหรือเปล่าคะไม่หรอกเรียกว่าปัญญาเริ่มเกิดละเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันไม่มีแก่นสารไม่มีสาระประโยชน์กับจิตใจของเรามีแต่ศีลสมาธิปัญญาฤืธการทำบุญทำทานนี้เท่านั้นที่จะเป็นสาระเป็นแก่นสารของชีวิตจิตใจคาถามจาก facebook กลบนมัสการพระอาจารย์ หากดิฉันพยายามถือศีลห้าและก็พยายามฟังธรรมอยู่แล้วแต่ดิฉันชอบคุยกับเพื่อนๆแต่ไม่ชอบคุดคุยกับคนในครอบครัวแม้จะเป็นเรื่องสำคัญเพราะคิดว่าคนในครอบครัวชอบขัดใจอย่างนี้ถือว่าดิฉันได้ปฏิบัติได้ตรงตามธรรมแล้วหม่เจ้าคะและจะใช้ธรรมข้อใดมาปรับความคิดนี้ได้เจ้าคะคือเราต้องไม่มีความลังเกตใคร ถ้าังมีความรังเกียดอยู่ก็ถือว่ายังเป็นกิเลสอยู่ใจเราต้องเป็นกลางสามารถคุยกับทุกคนได้คนที่ขัดใจเราก็คุยได้คนที่ไม่ขัดใจเราก็คุยได้แต่เราเลือกได้ถ้าไม่จาเป็นจะต้องคุยเราก็ไม่ต้องคุยได้เช่นถ้าคุยกับคนขัดใจแล้วมีเรื่องมีราวกันก็อยากไปคุยอันนี้ไม่เป็นปัญหาแต่ถ้าเราต้องคุยก็ต้องคุยให้ได้ต้องคุยได้ถึงแม้เขาจะขัดใจเราเราก็ต้องคุย ถ้ามีความจำเป็นจะต้องพูดคุยกันแต่ถ้าไม่มีความจำเป็นถ้าพูดไปแล้วมีแต่การทะเลาะวิวาทกันก็อย่าไปพูดไปคุยกันเราต้องหัดทําใจว่าเราต้องคุยกับคนทุกคนได้ไม่ว่าจะขัดใจเราหรือไม่ขัดใจเราแต่เราเลือกได้ถ้าเราเห็นว่าการคุยกันแล้วเป็นเรื่องมากกว่าเป็ น, ปนโทษมากกว่าเป็นคุณเราก็อย่าไปคุยให้เสียเวลาคำถามจากคุณทองเอก กราบนมัสการพระอาจารย์ครับถือศีลห้าได้ครบแล้วเรานั่งสมาธิมันจะสงบไหมครับก็ยังอยู่ที่ว่ามีสติมากน้อยหรือไม่ศีลห้าความจริงก็ยังไม่พอคือต้องมีศีลแปดเพราะการจะนั่งสมาธินี้ไม่ใช่แค่นั่งแค่5นาที10นาทีหรือชั่วโมง มันต้องหัดนั่งทั้งวันทั้งคืนเพราะนั่งนั่งน้อยโอกาสที่มันจะสงบอันนี้มันน้อยมากเพราะฉันต้องมีการนั่งมากๆนั่งบ่อยๆไม่ใช่นั่งเพียงครั้งแรกครั้งเดียวแล้วจะสงบเพราะฉะั้นมันต้องเป็นการฝึกการการหัดนั่งหัดปฏิบัติไปเรื่อยๆถ้าทาถือศีลห้านี้มันจะยังไปทํากิจกรรมอย่างอื่นได้เี่มันก็จะไม่มีเวลามานั่งถ้าอยากจะนั่งมากๆต้องถือศีลแปด เพราะศีลแปดจะห้ามไม่ให้เราไปทํากิจกรรมอื่นๆเราจะได้มีเวลามาหัดนั่งบ่อยๆนั่งมากๆถ้าเรานั่งมากๆนั่งบ่อยๆแล้วต้องมีสติต้องฝึกสติมากๆบ่อยๆด้วยรับรองได้ว่าไม่ช้าก็เร็วเราก็จะได้พบกับความสําเร็จอย่างแน่นอนคําถามจากคุณธาหนง่งพูดถึงกระแสพานิพานคือผู้ที่มีจิตน้อมไปในทางอบรมสติปัญญา ให้รู้แจ้งทำใช่หรือไม่ครับก็ต้องมีปัญญาแต่ปัญญาก็ต้องมีสมาธิสนับสนุนอสมาธิก็ต้องมีศีลสนับสนุนถึงจะเกิดเป็นสมาธิขึ้นมาได้ไม่ใช่มีปัญญาเพียงอย่างเดียวตอนนี้พวกเราฟังอยู่นี้กําลังฟังกําลังสร้างปัญญาแต่ปัญญาแบบนี้ยังไม่มีกําลังพอต้องไปสร้างศีลต้องสร้างสมาธิมาสนับสนุนแล้วปัญญาของเราจะได้มีกําลัง ทำให้กิเลสตายได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้คำถามจากคุณประนอมพระอาจารย์คะกราบเรียนถามว่าแล้วอย่างนี้ก่อนนั่งสมาธิเราต้องสมาทานศีลก่อนทุกครั้งไหมคะเพื่อให้มีพลังก่อนถ้าเรามีศีลแล้วก็ไม่ต้องสมาทานถ้าไม่มีศีลก็ต้องสมาทานการสมาทานก็ไม่ต้องสมาทานกับพระสมาทานกับตัวเองก็ได้ ว่าต่อไปนี้ข้าพเจ้าจะรักษาศีลแต่จะมารักษาศีลเฉพาะเวลานั่งสมาธินี้ใช้ไม่ได้ต้องรักษาทั้งวันทั้งคืนไม่ใช่อยู่ดีๆพอจะนั่งสมาธิก็มารักษาแต่ก่อนหน้านั้นไปกินเหล้าเมามาพอไปกินเหล้าเมามาแล้วมานั่งสมาธิสมาทานยังไงมันก็นั่งไม่ได้เพราะมันเมาฉะนั้นการรักษาศีลไม่ใช่มารักษาศีลเฉพาะตอนที่นั่งสมาธิ มันต้องรักษาศีลทั้งวันทั้งคืนก่อนน้วถึงจะมาค่อยมานั่งสมาธิได้คำถามจากคุณพุทธพรคำว่าอนิจจังทุกขงังมีความหมายค่อนข้างใกล้เคียงกันอยากให้ท่านอาจารย์ช่วยอธิบายด้วยครับ อ, อ๋อไม่ใกล้หรอกคำว่านิจจังแปลว่าไม่แน่นอนไม่เที่ยงแทออ้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามีการเกิดมีการดับมีการเจริญมีการเสรื่อมเรียกว่า อันนี้จังทุกอย่างในโลกนี้เป็นอย่างนี้ร่างกายของเราก็เป็นอย่างนี้ร่างกายของเราไม่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบางทีเจ็บแล้วก็หายบางทีเจ็บแล้วก็ไม่หายมีแต่จะตายถ้าเราไปอยากให้มันหายไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็จะเกิดทุกข์ขังขึ้นมาเกิดความทุกข์ในใจขึ้นมาแต่ถ้าเรารู้ว่าเราห้ามมันไม่ได้มันเป็นอนัตตา มันแก่ก็ต้องปล่อยมันแกมันเจ็บก็ต้องปล่อยมันเจ็บมันตายก็ต้องปล่อยมันตายทุกครั้งก็จะไม่เกิดคําถามจาก youtube จากคุณเบนนี้นะคะอยากถามว่าได้แนะนําคนอื่นด้วยความหวังดีให้ทําอะไรแต่เขาไม่เชื่อไม่ทําตามเราได้ผลไม่ดีแล้วเขากลับมาบนเราโดยเปลี่ยนคําพูดว่าเราไม่ดีกับเขาทําให้เขาได้ผลไม่ดีตามมา เราควรทำอย่างไรคะก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเนี่ระวังดีแล้วกับโดนเขากัด ie, งนี้ก็อย่าไปยุ่งกับเขาดีกว่าคำถามจากเฟ e b o o k นะคะตอนเดินจงกรมในใจท่องภาวนาพุทโธก้าวเท้าซ้ายกำหนดพุทก้าวเท้าขวากำหนดโทแต่บางครั้งใจก็คิดแบบไปแล้วพอสักหน่อยก็กลับมาอยู่กับพุทโธ ตอนที่ใจลอยไปอย่างนี้ใช่กิเลสหรือเปล่าครับพยายามตอนที่นึกพุโทโธได้ใช้สติไหมครับต้องปฏิบัติอย่างไรต่อดีครับก็เวลาเผลอไปคิดก็เรียกว่าเป็นเผลอสติขาดสติพอกาดสติกิเลสมันก็เอาใจไปคิดพอเราได้สติแล้วก็ดึงใจกลับมาเนี่เราก็ต้องพยายามตั้งสติอยู่เรื่อยๆแต่ใหมๆ่ๆมันก็เป็นเหมือนเด็กที่หัดเดินหัดหัดเดินหัดอะไร พรการเด็กก็ต้องล้มลุกคลุกคลานไปก่อนกำลังคลานอยู่ก็หัดยืนยืนได้สองสามก้าวเดี๋ยวก็ล้มลงไปเวลาที่เราฝึกสติใหม่ๆ ม, มันก็จะเป็นอย่างนี้พุดโทได้สักสองสามคำเดี๋ยวก็แวบไปคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้พอได้สติก็กลับมาที่พุทโทใหม่ก็ต้องหัดทาอย่างนี้ไปเรื่อยๆก่อนต่อไปมันก็จะพุทธโทอย่างต่อเนื่องคำถามจาก youtube สวดบนบูชาพระรันาตนไตยก่อนนั่งสมาธิจําเป็นใช่ไหมขอรับขณะนั่งสมาธิภาวนาคําว่าสงบสงบได้หรือไม่ขอรับไม่จําเป็นหรอกการจะสวดกราบพระพุทธรันาตนตรัยหรือไม่เวลานั่งสมาธิจะกราบก็ได้ไม่กราบก็ได้กราบเวลาอื่นก็ได้อเวลาไหนอยากจะกราบก็ได้ไม่กราบก็ได้มันไม่เกี่ยวกับการนั่งสมาธิการนั่งสมาธิต้องมีสติ ถ้าไม่มีสตินั่งไปก็ไม่สงบฉะนั้นก่อนที่จะนั่งสมาธิไปฝึกสติก่อนฝึกสติด้วยการบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปทั้งวันตั้งแต่ตื่นขึ้นมาก็พุโทโธพุโทโธไปอย่าปล่อยให้ใจคิดเรื่อยเปื่อยถ้าจําเป็นจะต้องคิดก็หยุดพุดโทโธไว้ชั่วคราวพอคิดเรื่องที่จําเป็นเสร็จก็หยุดคิดแล้วก็กลับมาพุโทโธใหม่อย่างนี้แล้วพอเวลามานั่งมันจิตก็จะสงบได้ง่ายคำถามคุณจอย เรียนถามผ้ า, าจานเจ้าค่ะหนูทำธุรกิจเล็กๆเป็นประเภทสินค้าเงินผ่อนคือว่าตอนนี้ลูกค้าค้างค่าจ่ายค่อนข้างเยอะเป็นปัญหาและเกิดผลกระทบกับธุรกิจเจ้าค่ะตอนนี้คือมีข้อสงสัยว่าถ้าหนูจะฟ้องร้องดำเนินคดีตามสัญญาที่เราได้เขียนตกลงกันไว้พร้อมคุณลูกค้าวางดาวบางส่วนของราคาที่เราตกลงซื้อขายผ่อนชาระกันเอาไว้เท่านั้น ตอนนี้คุณลูกค้าทำให้ธุรกิจแย่ลงเพราะค้างจ่ายกันอยากถามพระอาจารย์ว่าช่วยแนะนําทางหรือหากว่าหนูจะทําเรื่องฟ้องร้องกันตามกฎหมายจะเป็นบาปไหมคะเพราะสินค้าทุกสัญญาเราตกลงราคาซื้อขายกันเอาไว้เรียบร้อยตามเงื่อนไขและลูกค้าก็ยินยอมตามความเงื่อนไขก่อนคะออ่ะอฟ้องร้องไม่บาปเราเป็นการทวงเงินของเราคืน เงินก็คือเงินที่เขาต้องจ่ายเราแต่เขายังไม่ได้จ่ายเราเราก็ต้องใช้มาตรการของทางกฎหมายมาช่วยบังคับให้เขาจ่ายอันนี้ไม่ถือว่าเป็นการบาปแต่ถ้าฉลาดต่อไปก็อย่าทำธทุรกิจแบบนี้เอาแบบเงินสดดีกว่าก็เห็นภาพที่คนที่เขติดตามร้านไหมคนที่ขายเงินสดในอ้วนคนที่ขายเงินอ่อนี้พร้อมกระหล่อย เขาเนี่ยสอนไว้ว่าอย่าโลภโลภอยากได้เงินเขาเลยขายเขาแบบเงินผ่อนคิดว่าจะเขาจะเขาจะมีสัจจะแต่ที่ไหนได้เขาได้ของไปแล้วเขาก็หายเจ้าไปหายจ้อยไปเลยเนี่เวลาถ้าอยากจะค้าขายอย่างปลอดภัยก็ขายเงินสดดีกว่ายื่นหมูยื่นแมวกันอยากได้สินค้าก็เอาเงินมาจ่ายถ้ายังไม่จ่ายก็อย่าเอาไปอย่างนี้จะดีกว่าถึงแม้เราจะขายได้น้อยแต่อย่างน้อยมัน ได้แน่แน่ดีกว่าขายได้เยอะแล้วแต่ไม่ได้เงินมีไหมไมาแล้วหลายคำถามนี่แหละโบราณก็ถึงพูดว่าโลภมากมรรคาบหายอยากจะได้มากๆอยากจะขายเยอะๆก็เลยขายแบบเงินผ่อนกันแล้วก็ไม่รอบก็ถ้าจะขายแบบเงินผ่อนมันต้องมีหลักทรัพย์ใช่ไหมอย่างถ้าอย่างคนเขาขายบ้านขายอะไรนี่เขาให้ธนาคารมาเป็นผู้จัดการใช่ไหม ใครอยากจะขายบ้านไปเอาเงินเอาบ้านไปไปวางดาวไวท้ที่เอาเป็นหลักประกันไว้ที่ธนาคารแล้วก็ให้ธนาคารเอาเงินออกมาให้เราแล้วถ้าเวลาเขาไม่จ่ายเงินธนาคารก็จะมายึดบ้านไปเราก็ไม่เดือดร้อนแล้วถ้าจะขายสินค้าต้องขายแบบนี้ต้องมีอะไรมาค้ำประกันที่จะทําให้เรานี้ได้รับเงินอย่างแน่นอนแต่ถ้าเอา เอาเอารับประกันด้วยวาจานี่นับนองได้น้อยทั้งร้อยโกหกทั้งนั้นเวลาอยากได้บอกให้พูดอะไรก็พูดทั้งนั้นพอได้แล้วในพูดไปอีกเรื่องนึงเลยพูดไปคนละเรื่องเลยนี่คือบทเรียนโลภมากแล้วมรรลาบหายขายแบบสดสดดีกว่าถึงแม้จะขายไม่ได้มากแต่อย่างน้อยก็ได้เงนินอามีคําถามอีก มีคำถามจากบนเข่านะคะขณะนอนหลับจะชอบฝันว่ามีคนมาหาและเหมือนจะทำร้ายในฝันตกใจวิ่งหนีทำให้สะดุ้งตื่นเป็นประจำเป็นสภาวะเกิดขึ้นจากอะไรและแก้ไขอย่างไรคะสมจากเราไปทำบาปมาสิเราไปทำบาปเข้ามาเราก็เลยกลัวเขาเน้นอย่าไปทำบาปเราจะไม่ฝันได้ ถ้าทำบุญนี้จะนอนหลับจะฝันดีจะฝันว่ามีคนนู้นคนนี้เอาเข้าวของมาให้อยู่เรื่อยมาช่วยเหลือมาดูแลเราเพราะเราดูแลเขาพอเราไปทาร้ายเขาเราก็จะฝันกลับกันเราก็จะฝันว่าเขาจะมาทำร้ายเราเพราะฉะนั้นอย่าทําบาปถ้าไม่อยากจะฝันร้ายมีคำถามจากอินบ็อกซ์นะคะใส่บารกับสวดมนต์ไหว้พระทุกวันอย่างไหนได้บุญมากกว่าคะ เอาใส่บาปได้บุญมากกว่าแน่นอนเพราะสายถายปุ๊บมันได้ปับ๊บแต่สวดมนตน์ไหว้พระนี่มันยังไม่สงบยังไม่ได้ผลส่วนมนต์ไหว้พระจะได้ผลจะได้บุญก็ต้องจิตสงบเจตมีความสุขแต่ถ้ายังไม่ได้ความสุขเท่ากับการใส่บาปก็การใส่บาปดีกว่าก็ดูสังเกตดูเวลาสวดมนต์เรามีความรู้สึกยังไงเวลาเราใส่บาปแล้วเรามีความรู้สึกอย่างไรวัดกันได้ความสุขนี้มันอยู่ในใจของเรา ผลบุญก็คือความสุขใจคาถามจากเฟซบุ๊กนะคะจากคุณชนะตนชนาการการนั่งผ่านเวทนาถ้าเรารู้สึกว่าทั้งสุขและทุกเวทนามันไม่เที่ยงทั้งคู่ไม่ได้อยากให้มันหายไปหรือคงอยู่สักพักเวทนาเจ็บปวดก็หายไปแล้วก็กลับมาใหม่เราก็นั่งดูไปจนเวทนาหายไปอีก ก็ค่อยออกจากสมาธิโดยไม่ได้เปลี่ยนท่าอย่างนี้ถูกต้องไหมคะถ้าเราปล่อยมันให้เกิดดับของมันเองก็ถูกต้องแล้วเราต้องเอาไปใช้กับความจริงเวลาที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องปล่อยมันเจ็บไปรักษาได้ก็รักษาไปหายก็หายไม่หายก็ช่างมันอย่างนี้ถึงจะถูกต้องตอนนี้อยู่ในสมาธิเป็นเหมือนการซ้อมเป็นการทําการบ้านเราจะต้องไป ทำข้อสอบเวลาที่ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาดูว่าเราจะปล่อยให้มันเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่แล้วดับไปเองได้หรือไม่แต่ไม่ได้หมายความว่าไม่ให้ไปรักษาแล้วก็รักษาไปได้แต่ขณะที่รักษามันไม่หายเราก็ต้องทําใจให้เฉยๆอย่าไปทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยคําถามจากคุณทันถั่วงอ่ อา น, นิสงส์งในการเป็นเจ้าภาพบวชพระหรือบวชเนนมีผลอย่างไรและต่างกันอย่างไรคะผลคือความสุขใจนี่เหมือนกันเงินจำนวนเท่ากันไปไปให้ใครอย่างให้โรงเรียนให้โรงพยาบาลเอาไปให้ทุนการศึกษาเด็กนักเรียนหรือไปให้คนบวชนี่ผลทางใจเราเท่ากันคือความสุขใจอิ่มใจเหมือนกัน แต่ประโยชน์ของคนที่รับเงินออกไปนี้อาจจะไม่เหมือนกันเด็กที่รับทุนเรียนศึกษาก็จะเรียนจบปริญญาคนที่ไปบวชพระอาจจะบรรลุเป็นพระอารหันต์อันนี้จะไม่เหมือนกันคำถามจาก u t u b e ข้อสุดท้ายค่ะท่านอาจารย์ครับผมฟังเทศพระอาจารย์เกือบทุกวันจิตมันจะหมุนหมุนไปตามคำเทศทุกคำตลอดพอท่านอาจารย์เทศจบจะให้พรมันออก มาเลยคือจิตมันสงบไปด้วยขณะฟังแบบนี้ถูกไหมครับถ้าฟังแล้วสงบก็ถูกฟังแล้วเข้าใจเกิดปัญญาก็ถูกถ้าฟังแล้วไม่รู้เรื่องก็ไม่ถูกเอาแนะวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิษพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถอด